หากมีวินัยกับการช่วยโอกาสสั้นๆพักจิตได้เรื่อยๆกำลังสมาธิจะไม่ตกและรู้สึกถึงความว่างที่ชนะความวุ่น 2. ต้องเผชิญกับทุกทางใจหลากหลายหมอดูนั้นนะครับยิ่งเก่งจะยิ่งเหนื่อยเพราะลูกค้าจะหอบพ่อแม่พี่น้องและญาติสนิทมิรสหาย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 ดูความทุกข์ทางใจของตนเองให้ทันในขณะที่เกิดขึ้นบ่อยเข้าคุณจะค่อยๆเห็นว่าความทุกข์ที่ถูกรู้จะแสดงความไม่เที่ยงเสมอพลอยทำให้จิตของคุณเป็นอิสระถอยออกมาจากความยึดภาวะทุกข์เสมอ 3. ต้องตอบให้ได้คุณบังคับไม่ได้ว่าจะให้ลูกค้าถามอะไร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 แม้ไม่รู้ก็ต้องบอกว่ารู้ไม่แน่ใจว่าจะตีความตัวเลขอย่างไรก็ต้องวางฟอร์มเชื่อมั่นว่าอ่านชะตาลูกค้าได้ขาดให้คำแนะนำได้เข้าเป้าเสมอหากมักง่ายยอมตนเป็นคนลวงโลกก็คงไม่ต้องหวังเจริญสตินักพูดเทจย่อมไม่อาจมีสติจําใสเห็นตามจริงยิ่งวันมีแต่จะยิ่งพลามัวเห็นอะไรบิดเบี้ยวมากขึ้นทุกทีฉะนั้น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 ก็ยิ่งพาให้ลูกค้าฟุ้งซ่านวกวนอยู่กับการคิดถึงอนาคตและเรื่องนอกตัวที่ยากจะพิสูจน์เมื่อให้ความฟุ้งซ่านแก่ผู้อื่นย่อมได้ความฟุ้งซ่านแก่ตนเองการเจริญสติเป็นเรื่องปัจจุบันคุณไม่มีทางเอาจิตมารู้ข้างในตราบเท่าที่ยังพาคนอื่นส่งจิตออกข้างนอกฉะนั้นต้องเหนี่ยวนาให้เขามาอยู่กับปัจจุบันบ้าง ปรับปรุงนิสัยที่เป็นต้นเหตุของทุกขทางใจบ้างคลื่นความสงบใจที่เกิดกับพวกเขายอมย้อนมาเป็นความผาสุขให้ชีวิตคุณเอง 5. ต้องพาให้ลูกค้างมงง่ายโดยปริยายถ้าบอกลูกค้าว่าคุณรู้อดีตและอนาคตของเขาได้จากดวงดาว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 นี่คือการทำให้คนเชื่ออย่างมีเหตุผลและพิสูจน์ได้ด้วยการทดลองทำจริงและเมื่อคุณไม่นำคนไปสู่ความงมงายในที่สุดคุณจะตาสว่างก่อนใครในฐานะผู้สามารถเอาดวงดาวมาอธิบายกรรมคำถามที่สอง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 นี่เป็นรายละเอียดที่ต้องศึกษามากมีประสบการณ์ตรงมากจะค่อยๆเห็นวิธีแนะนำคนแต่ละแบบได้เองครับ